Book 2ยี่สิหธรรมชาติคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับวิคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับวิจิ คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับผมชอบนอกตัวนั้น ผมชอบต้นไม้ต้นนั้นตตตรมซลบีผมชอบก้อนหินก้อนนี้ตซบีผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นต a มตซลบีผมชอบสวนนั้น ผมชอบดอกไม้นี้แต่ดอกกีน่าซมิลีบีผมว่านั่นมันสวยเรีบีเซมิโผมว่านั่นมันน่าสนใจ p ร i p a ามิโต้ซ a อิมวผมว่านั่นมันงดงามตัวยานาเทอร์น ผมว่านั่นมันน่าเกลียดผมว่านั่นมันน่าเบื่อผมว่านั่นมันแย่